จบเสียงานสัมมาสมาธิหลุงพ่อพุทธธานิโยอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ครอบครัวสุธรรมบุตรครอบครัวจึงสมศรีนันทนาสิริวัดพิรพัฒอุตราสิริติกุลวีรสิธิ์โชติรันรัรตน์ k r i t แย้มชู นาวาอากาศโทสมมาตรคันธนูวราลีอธิสกุลวราพรจาตนินพลพรอภิวัฒนาเสวีรัตนพุ่มพวงรอบรัวสินสมบัติระวีวันโคสุรัตปัญญากโกจันกัญ น, นัตทองบุญนภัชชาถวินกมลพัฒปริยพันธผูกพันทิศนาเจษดาวรังกูลปฏิตาเชื้อทองชัยยุทธอ่อนอินร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่อง